วันนี่เป็นวันที่เ ร, ร, ราเรีกถึงตัวรัฐชาติเนือยังบอสถาบันสถาบันที่สำคัญในประเทศไทยสถาบันชาติสถาบันศาสนาศาสนาเป็นคำกลางสถาบันพุทธศาสนาสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นของสำคัญมากสามสถาบันนี้มันต้องมีในกฎหมายถ้าไม่มีก็ไปไม่รอด เราว่าไม่บอกเนาะสถาบันสถาบันนี้ต้องมอีในกฎหมายบทใดบทหนึ่งไว้ให้เป็นแกนฑาลถ้าไม่มีไว้ในกฎหมายกฎหมู่กฏพักกฏพวกประเทศชาติตั้งมาอยู่เนาะอเราว่าไม่บอกเนะาะเพราะประเทศไทยเป็นประเทศที่ถือศาสนาพุทธมานานแล้วถ้าจะลบเรือนออกเสียในสถาบันชาติสถาบันศ า, าสนาสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นไปไม่ได้ ประเทศไทยถือศาสนาพุทธมานานแล้วให้เข้าใจว่าคำสอนใดในใจโลกทาตุไม่เสมอเหมือนคำสอนพระพุทธศาสนาดอกคำสอนพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่ลึกซึ้งเป็นหัวใจของโลกเป็นดิ่งของโลกถ้าโลกตั้งกฎหมายกดหมู่กดพักกดพวกไม่มองดูพระพุทธศาสนาแล้วมันก็ไปไม่รอด เั่นพวกเธอไม่มีบาปมีบุญเข้าไปรอดไหมนั่นเก่งขนาดไหนก็เก่งไปเถิดกรรมและผลของกรรมมันอยู่ใต้อำนาจกรรมและผลของกรรมมันอยู่เหนือกรรมและผลของกรรมไม่ได้มนุษย์หรือสัตว์ทั้งหลายเหตุฉะนั้นจึงอาศัยหลักกรรมและผลของกรรมหลักกรรมและผลของกรรมในทางพุทธศาสนามันมีอยู่แล้วใครจะถือหรือไม่ถือไม่เป็นปัญหาใครจะเคารพหรือไม่เคารพไมเป็นปัญหามันตามขยี้หมดนะกรรมและผลของกรรมเนี่ยสำคัญมากเหตุฉะนั้นจึงยอมรับนับถือพุทธศาสนาด้วย ชาติด้วยพระมหากษัตริย์ด้วยสามสถาบันนี่เป็นเมืองขวัญของประเทศไทยเรามานมนานแล้วพราเราทั้งหลายไม่คคนประมาทนะนที่อว่าอย่าให้พระเป็นการวาดการเมืองอย่างนั้นอย่างนี้มันเข้าใจผิดพระต้องเป็นการบา้านต้องเป็นการเมืองถ้าพระไม่สอนบา้านสอนเมืองกับพระจะไปสอนผีตัวไหนเอา น, นัทีนี่ทำคําสอนของพุทธศาสนามันยืนยันอยู่ว่า ทำเป็นโรคประมานคือคุ้มครองโรคสองอย่างความละอายต่อบาบความกลัวต่อบาบเท่านั้นจะคุ้มครองโรคได้โป้งโป้งเลยในพระไตรปิรกถ้าไม่เชื่อกับพระไตรปิรกไปเผาทรายจริงซะนั่นนอนเศร้าทําไมทําไม่ไมละอายต่อบาบไม่กลัวต่อบาบแล้วกฎดไม้กดมักดหมู่กัดพักกัดพวกก็ตั้งไม่อยู่อู่ของทําไม่นําคํานึงก็หมดที่พึ่งพิงเอง อ, อ, อาศัย ทำคนช่วยในที่แจ้งไม่ได้ก็ไปทําในที่รับจะตั้งไว้เกล้าลากฎหมายก็ตั้งเถิดถ้าใจของมนุษย์ไม่มีรางอายต่อบาปแล้วมันไม่อยู่ละนั่นนั่นพระพุทธศาสนาเอาไปกินแล้วนะั่นนี่แหละเป็นหน้าที่ของชาวพุทธของเราที่จะกําเนึ่งถึงพระพุทธศาสนาพระมหากษัตริย์ตลอดถึงประเทศชาติบ้านเมืองของเราจะไปเห็นแก่พักแก่พวกแก่หมู่แก่อะไรต่ออะไรมันไม่ถูกเห็นแก่ทําแก่ไวใน ด้านกิเลสจะปฏิเสธไม่ได้ถ้ากิเลสไม่ยุดหย่อนผ่อนลงแล้วจะตั้งคนหมายกี่ร้านก็ตั้งไปเถิดมันไม่อยู่หรอกนั่นเฉะนั้นจึงปฏิเสธด้านละกิเลสไม่ได้นั่นพรามนุษย์ของเรามันไม่เหมือนสัตว์รฉลาดน่ะมันเป็นคนสูงแล้วน่สร้างมันมีแก่กล้ามาแล้วนี่สําคัญมากราชามากระโถก ราชามาคาแล้พระเจ้าแผ่นดินมคธเป็นผู้ทรงอํานาจสิทธิขาดทรงพระนามว่าราชามาคโต้ทรงอํานาจสิทธิสิทธิขาดสักเพียงไหนก็ตามท่านตั้งกฎหมายท่านมองดูสินห้าไม่ล่วงเกินสินห้าท่านมีแม่นตั้งกฎหมายถ้าไม่เอาเสียงธรรมขอโบราณศสาสตดาตั้งกฎหมายเลิกเจิกไปหมดแล้วเอา้าไปไม่รอดทีเดียวกรรมนผลของกรรมมันนําสนองหมดเ่ยไม่ไม่ว่าชั้นมันนะใดๆมันตามสนองหมด กดไ ม, ม้กดหมู่กดพรรคกดพวกคดีดําคดีแดงมันมันจกกระเสียนเป็นกรกกรมและผลของกรรมมันจกกระเสียนไปเป็นน้าตามสัตว์ทั้งหลายทุกาชาติทุกภพเลยนั่นนั่นน่นอันนี้สําคัญมากเนี่ยฉะนั้นจงยอมเชื่อกรรมและผลของกรรมสามัคคีกันไปทางดีมันก็ดีสามัคคีกันไปทางชั่วงไปตกเหวหมดนั่น จะเอาอะไรเป็นเครื่องดีเครื่องทั่วเอาเป็นเครื่องวัดเอาพระพุทธศาสนาเป็นเครื่องวัดนั่นเมื่อท่าน ouais ก็บอกว่าขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมจากศาสนาไหนเอ้าขอความเป็นธรรมจากศาสนาพุทธจึงจะถูกถ้าขอความเป็นธรรมจากศาสนาอื่นศาสนาอื่นเขากรยืนยันว่าฆ่าสัตว์ไปสวรรค์นั่นมันโกงกันไหมเขาบัญญัติบาปบุญไม่โกงกันก็ขอไม่ได้นั่นขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมขอความเป็นธรรมจากศาสนาไหน ศาสานาพุทธจึงจะถูกนัดเพราะศาสนาพุทธเป็นธรรมมาธิปไตยไม่ใช่ประทาธิปไตยไม่อใช่ไม่ใช่อาตาัตตาธิปไตยเหตุฉะนั้นจึงเด่นอยู่ทุกยุคสมัยของโลกพระพุทธเจ้าองค์ไหนมาก็ศาสนาอันเก่าก็ทำอันเก่าไม่ใช่ทำอันใหม่มาลงเอ่ยกันหมดไม่ได้คดัคดค้านแยกฝ่รยบวกัน จงละชั่วทําดีเป็นกฎหมายของทุกๆท่านทุกๆคนแล้วเป็นกฎธรรมกฎธรรมกับกฎหมายอันเดียวกันกฎหมายกฎหมายความว่าปกครองโลกกฎธรรมละเอียดไปกว่ากฎหมายเองกฎของกรรมละเอียดไปกว่ากฎหมายเองยิ่งผู้ตั้งกฎหมายมีเกลียดจมพงลงไปยิ่งไปใหญ่ละนั่นพรรคของเขาก็ไปตามเกลียดของเขาใช่ไหมนั่นเพราะบรมาาราชธรรมไม่มีเกลียดเนี่ กฎของทําไว้กับโลกจึงทรงพนาโมโรกไปทูไป็ผู้รู้แจ้งโลกอนุตโตโรปริศาธรรมสาแลิเป็นผู้ฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่นสัทธาเทวมนุษยานังเป็นผู้สอนของเทวดาแลมนุษย์ทั้งหลายอยู่ทุกยุค ท, ทุกสมัยทุกการทุกเวลาด้วยนะคําสอนแต่ละวัฏระบาต ท, ที่พระบรมศาสด า, า, าเทศลงมาเธอลูกหลานเอ๋อยให้ละช่วยทาดีเชนเออค่อยๆกบพูดอย่างนี้ไม่มีกลางวันกลางคืนนั่นนั่น เธอทั้งหลายอย่าไปทําความช่วในที่มืดและที่แจ้งเนะ้อท่านทั้งหลายจงละอายตนเองเนะ้อนั่นถ้าท่านทั้งหลายไม่ละอายบาปไม่กลัวตบบาปแล้วไม่มีใครจะปกคลองพวกท่านทั้งหลายอยู่ลนะแม่ตัวของท่านทั้งหลายก็ไม่เปที่พึ่งของตนนั่นะเบียกเวียนตนเองนะทําความช่วลงใส่ตนก็เบียดเบียนตนเองทําความดีใส่ตนก็คือทําให้ตนเจริญนั่นะ เรามองดูก็รู้ได้สริงไหนที่เราทําดีเราเลยนึกถึงเวลาไหนก็เป็นที่สบายใจนั่นคือบุญนั่นคือความบรดิ์ถูกจริงตอนไหนที่เราทําชั่วเรานึกถึงเวลาไหนเราก็เดือดร้อนนั่นเองนั่นนั่น น, นบาปและบุญมันมีอยู่อย่างนั้นก็มีด้วยความชั่วมันมีอยู่อย่างนั้นจะปฏิเสธไปสักเพียงไหนก็ตามไปไม่รอดใครๆก็ไปไม่รอดสักคนน่ะเอ้าเรามองดูเรามองดูมีข่าวดูสีก็ไปได้ไหม นั่นเราถือไม่มีบุญไม่บาปเข้าไปได้ไหมนั่นแต่กันเจอเงินแล้วเดี๋ยวนี้นั่นพวกเราให้สามาเมคีกันไปในทางดีอย่าภาษามัคีกันไปในทางชั่วรักชาติรักศาสนารักพระมหากษัตริย์รักตนเราด้วยรักพระพุทธศาสนาพระพุทธศาสนาอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ตัวเราแต่ละท่านแต่ละคนพุทโธธรรมโสมก็อยู่ที่ใจพระพุทธศาสนาก็อยู่ที่ใจ พระธรรมา ศ, าศาสนาทั้งาศาสนาก็อยู่ที่ใจของพวกเราแต่ละท่านแต่ละคนไม่ใช่อยู่ในหนังสืออยู่ในหนังสือใจรักชาติก็คือใจเป็นผู้รักถ้าใจไม่รักชาติเอาธงชาติมาเถิดเอาธงชาติมาเถิดแต่ชาติมันอยู่กับธงเนออยู่กับแต่ละท่านแต่ละบุคคลนั่นใครจะเป็นผู้รักษาพระมหากษัตริย์ก็พวกเรานี่เองก็จิตใจของพวกเรานั่นเอง ไม่ได้อยู่ที่อื่นชาติก็อยู่นี่ศาสนาก็อยู่นี่พระมหากษัตริย์ก็อยู่ที่คิตใจของเรานี่เองเพราะพวกเราเป็นผู้รักพวกเราเป็นผู้ยำเกรงเคารพนั่นไม่ได้อยู่ที่ดินฟ้าอากาศนั่นนั่นความมีความชั่วอยู่ที่พวกเราทั้งหลายที่สร้างขึ้นไม่ได้อยู่ที่อื่นจงทําดีจงทําดีมันถูกแล้วหน้าต่างคนก็ต่างเห็นแก่ตัวของใครของมันก็แต่กันกระเจิงไม่ไม่ถูกล้วทีนี้ถึงเจ้าพักเจ้าพวก กี่ล้นานก็ตามให้เป็นพักเดียวกันสามัคคีกันแต่สามัคคีปีนเกี่ยวพระพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอดเนอะจะว่าไม่บอกเนอเออสามัคคีกันไปทางขั้วไปตกเหวหมดสามัคคีกันไปทางดีเป็นจริงดีความสามัคคีแห่งงูดำนำความให้เกิดสุกเนี่ยหมายความว่าสามัคคีไปทางดีเนอสามัคคีไปทางทั่วดูสินั่นะมันไปตกเหวตายหมดน่ะ จะมูทะลุไปสักเพียงไหนก็ตามเถิดแต่ผลของกรรมมันมีจะดับสันดานพวกเราแต่ละท่านละคนอยู่ในสองของสําคัญมากเยมันไม่โชคเกษยียณเนี่ยเกิดชาติไหนพวกไหนก็ไปตามโกไหนก็ไปด้วยเหมือนหนึ่งของแขนติดสนิทกายลงน้ําขึ้นบกก็ตกไหนก็ไปด้วยความชั่วของเราความดีของเราก็ะเมือนกันนั่นนี่แหละข้อสําคัญข้อสําคัญมากคนเราให้ใจถึงทางดีอย่าไปถึงชายใจถึงทางชั่ว ไปใจถึงทางดีไปไม่รอดนะเนอะไปรอดใจถึงทางชั่วไปไ well. มรอดแมลงพึ่ง KK, มันก็ใจถึงไปทางทำดีแมลงวันมันใจถึงไปทางทำชั่วนั่นประชาธิปไตยของมันเหมือนกันแมลงวันแมลงพึ่งมันก็บอกว่าประชาธิปไตยของมันสังคมนิยมของมันเหมือนกันแมลงวันมันก็บอกว่าสังคมนี่ยมันนิมของมันเหมือนกันประชาธิปไตยเหือนเหมือนกัน ไม่แรงเพิ่มก็ บ, บอกว่าประชาชนที่ปไตยข้องมันเหมือนกันแต่ทางไหนมันดีเราก็ต้องเลือกเอาที่นี้นั่นเรามีอิสระที่จะทําดีไม่ใช่มีอิสระที่จะทําชั่วมีอิสระที่จะละชั่วทําดีเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั่นผู้รับเหตุรับผลใครเป็นผู้รับก็คือใจตาหูจมูกเลี้นบอกให้มันไปทํามันก็ไปแต่ผลน่ารับก็อยู่ที่กับใจ เหตุหตใจพน้นใจเหตุใจอันใรที่รู้ตัวพ้นข้องใจอันนั้นก็นามาโดยรู้ตัวเหตุใจอันใรที่นำมาไม่รู้ตัวพ้นข้อแก่อันนั้นก็นํามาไม่รู้โดยรู้ตัวนัตถีพาราปนินายากาคนผ่านไปใช่คนหัวหน้าเน้อบันฑิตตาปนินายากาบันทิตถึงเป็นคนคนหัวหน้านั่นพระบรมศาษษษสดา ย, ยืนยันไว้แล้วนะันนะนพ่อบ้านแม่บ้านก็เหมือนกัน ถ้าไหนคนพาไปเป็นพ่อบ้านแม่ว่านก็ไปไม่รอดพ่อว่านแม่บ้านนั่นก็พ่อวัดแม่วัดก็เหมือนกันพ่อประเทศแม่ประเทศก็เหมือนกันพระพุทธศาสนาพระบรมศาสนาพระพระบรมศาสนาองค์เดียวเท่านั้นแหะเป็นหัวหน้าทุกยุคทุกสมยัยถึงจะมีผู้เริ่มใส่นับถือก็ตามมีน้อยก็ตามเขาโคขนโคจะมีมากสักเพียงไหนก็าตามไม่มีราคาเท่าเขาโคนะ เป็นหน้าที่ของพวกเราจะสนใจเพราะเรารักรักดีรังเกียจชั่วรักสุขรังเกียจทุกข์เมื่อเรารังเกียจทุกข์ต่างคนก็ต่างพยายามทําดีเท่านั้นฝ่ายพระก็เหมือนกันฝ่ายโยมก็เหมือนกันฝ่ายฆราวาสก็เหมือนกันฝ่ายเจ้านายก็เหมือนกันต่างคนก็ต่างเอาความดีออกมาแข่งกันพระก็เอาความชั่วออกมาแข่งญาติโยมก็เอาความชั่วออกมาแข่ง ผู้ปกครองบ้านมือนก็เอาชักทั่วออกมาแข่งก็มีผีบ้าอยู่ด้วยกันหมดโลกนั่ น, นใจถึงทางทั่วทั้งหมดมันก็ไม่ถูกพักเข้าใจถึงทางทั่วเรียนเลขเรียนผ้าเรียนบัดเลีนเบอร์เจ้าน้าทเขาใจถึงทางทั่วสา ร, ราาะะพัดมันก็ไม่ถูกสามัคคีกันไปในทางดีมันก็ดีสามัคคีกันไปทางทั่วก็ตกเหี่ยวตายกันหมดเนี่ยพอรู้ตัวมันก็สายใบค่ําไปซะไม่มีวนสู้ ว่ารัสเซียเขามีทุนสู้ไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีถูกไหมพอรู้ตัวแล้วนไะงพระเถือไม่มีบาเมบุญฆ่าพระมากเนอ้อฆ่าพระตายมากเนอ้อฆ่าพระในประเทศลาวฆ่าพระในประเทศยวนฆ่าพระในประเทศเขมรน่นั่นผลของกรรมตามสอนเราทุกวันนี้แต่ก็เจอกันปั้นกันไม่ติดเหมือนข้าวเทน้ำแลละทุกวันนี้นั่นพวกเราอย่าได้เป็นอย่างนั้น เดี๋ยวนี้มีสมเด็จพระบรมราชากับพระพุทธศาสน า, าเป็นคู่กันอยู่ถ้าไม่มีสองอันนี้แตกกระจิงแล้วพวกท่านอยู่ไม่ไหวเนอเดี๋ยวพวกท่านก็จิกกันล่ะสองอันนี้แหละอยู่พวกท่านจึงพอจะอยู่ได้ถ้าอย่างนั้นพวกท่านก็เอาปลายปืนใส่กันล่ะตะลุมบอนกันละไม่พอสามวันละเซตเลยนี่คุณค่าของพระพุทธศาสนา คุณค่าของพระมหากษัตร์คุณค่าของประเทศชาติประเทศชาติแตกกันแนวก็อยู่ไม่ไหวแล้วพวกเราสมานสามัคทีให้ดีอยู่จะสู้ศึกศัตรูทั้งหลายได้คนชิดจำนงจงใจเป็นไทยจนเส็นชั่วดิ้งฟ้าพระบรศสารดเราเลี้ยงเลี้ยงชายชาติไทยใจองอาจต้องรักชาติและบ้านเกิดประเรสริฐศีลรักสัตย์สยามเมนถิ่นที่อยู่ พระมงกุเก้าวเจ้าทีของชาวไทยรัชกาลที่หกแม้ศัตรูที่ร่ายทําลายชาติต้องรับสู้อารียา จ, จนตักใสไม่จิตอำมาตย์คิดเชิงชัยไม่ยอมแพ้แกใครโม่พายดีแม้จะตายวายร้ายให้หรือชาติชูอำนาจเกียรติเท่าเจ้ากรุงศรีสงวนทงชาติไทยไว้จงดีอย่าให้มีวันเคลื่อนเลื่อนลงมาไทยรักไทยใจเดียวกลองเกลียวอยู่จะเชิดชูเมืองชาติศาสนาะจะเรือนามสยามรละวัฒนา ว่ายินฟ้าย็นลงเย็นยงดำลงไทยนั้นอันนี้ไม่ควรทิ้งควรจำไว้เหมือนหนึ่งสองแขนติดสนิทกายลงน้ำเคิืนบกตกไหนผ้าไปด้วยคงทูช่วยเพื่อนผีไม่นี่นายรู้รักกันอย่ามีราคีคายใครกาวร้ายเจ็บแทนด้วยเจ็บแทนด้วยแค้นเคืองไทยรักไทย พวกไหนก็มันกันให้สามัคคีกันพวกเราสามัคคีรักษาประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตรย์ของเราให้ดำรงอยู่ถ้าแตกกระเจิงกันก็ไม่ไหวละความผิดความถูกก็ต้องให้อภัยกันคนล่มอย่าไปข้ามไม่ใช่ขอนต้องดึงแขนกันลุกลุกเถิดลุกเถิด มิตร ด, ดีสหายดีตอนไหนดีก็ส่งเสริมตอนไหนชั่วก็เกียดกันพระบรมศาสด า, าพ่อดีแม่ดีครูดีอาจารย์ดีตอนไหนดีก็ส่งเสริมตอนไหนชั่วก็เกียดกันนี่ความมิตร ด, ดีสหายดีครูดีอาจารย์ดีตอนไหนจกลดของเรามันหนักไปทางโลคทางโกดทางหลงอั น, นั่นอย่าเอามันเป็นหัวหน้าใน้านปรนัต นัตถิภาลาปเรนายากาไม่ควรเอามันเป็นหัวหน้าตอนไหนคิดมันคิดเป็นประโยชน์ตัวให้ประโยชน์ผู้อื่นจึงเอามันเป็นหัวหน้าตอนไหนมันคิดเบียดเบียนตนและผู้อื่นอย่าเอามันเป็นหัวหน้านี่เรียกว่านัตถิภาลาปเรนายากาปัญเทตาปเรนายากานี่น้อมมาในทางส่วนตัวของใครของมันนอนในหมู่ในผู้งก็เป็นอันหนึ่งอีกจริงไหนพุทธศาสนาไม่ได้สอนว่ามีหรอก อบา ย, ยมุขทุกประเภทเป็นเค่เห็นเครื่องชิดหายหมดน่ะโหดเอกพระพุทธศาสนาลเลยชาวโลกเล่นอบา ย, ยมุกกันเยอะนี่ค่าขายกครองประหารค่าขายมานุษย์ค่าขายสัตว์เป็นอะรเนื้อสัตว์ทตัวข้ามาเป็นอาหารค่าขายนำ้ำเมาค่าขายยาพิษการค้าขายห้าอย่างนี้เป็นข้อชิดหายของชาวโลกมาให้ประกอบเน้อพระพุทธศาสนาสมบัติของชาวโลกฆาบการประกอบด้วยศรัทธาคือเชื่อในพระพุธทธประธรรมพระสง์มีศีลบริสุทธิ์คือศีลห้า ไม่ถือบางคนตื่นข่าวคือเชื่อกรรมไม่เชื่อมงคลเมื่อเสวียหาเกศบุญนอกพระพุทธศาสนาบาำพเพ็ญบุญแต่ในพุทธศาสนาชาวโลกต้องตั้งอยู่ในสมบัติท่าปการและเว้นจากสมบัติท่าปการซึ่งตรงกันข้ามพระพุทธราตนาสวดไว้แล้วหมดแล้วเลยเอา้าถ้าชาวโลกมีสินห้าทหารตำรวจไม่ต้องมีแล้วนั่นคุกตารางก็ไม่ต้องมีเดี๋ยวเข้ามาทางนี่ร่อนตอนนรกเลยเรือนจําคุกตารางอันเดียวครับเรือนจํา ไม่ต้องมีโซ่ตรวนก็ไม่ต้องมีทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีขายของก็ไม่ต้องเฝ้าเนะี่ยความสนุกสุขสบายจะมาจากทุกๆประตูละนี่ที่นี่เมื่อทำผิดเข้าต่างคนก็ต่างโยนความผิดให้กันแล้กันเป็นพักเป็นพวกมันก็ไม่ถูกอย่างนั้นช่วยกันแก้ช่วยกันไขมันจึงถูกนาเห็นแต่เอารัดเอาเปรียบกันพี่รุ่นสองน้องผู้หนึ่งรู่นหนึ่ง รับฟังความเห็นของกันและกันไม่หากินทางคัดค้านหน้าเดียวถ้าถูกก็อนุโมทนาถ้าผิดก็คัดค้านไม่ถูกยาะทําอย่างนั้นมิตรเป็นอภคาระมิตรร่วมถูกร่วมทุกข์เด็ดประโยชน์มิตรมีความลกใคร่มิตรสีจาพวกนี้เป็นมิตรแท้ควรคบมิตรเป็นอภคาระมีลักษณะสีป้องกันเพื่อนผู้มาแล้วป้องกันทรัพย์สมบัติของเพื่อนผู้มาแล้วเมื่อมีภัยเอาเป็นในเพิ่อความนักได้เมื่อมีธุระช่วยออกทรัพให้เกินกว่าที่ออกป่า มิตรร่วมสุร่มทุกเวรรักษาศีขยายความรับของตนแก่เพื่อนปิดปิดความรับของเพื่อนมาแพ่งพลายไม่ละทิ้งในยามในบัดแม้ชีวิตกอาอัะรเท่นได้มิตรและประโยชน์มีรักษะศีห้ามไปกระทําความชั่วให้ตั้งอยู่ในความดีอนุเคราะห์ด้วยในใจน้ำใจอัน ง, งามบอกทางสว่างได้มิตรสี่จำพวกนี้เป็นมิตรแท้ควรคบมิตรปฏิรูป ค, คือคนเทียมมิตรสี่จำพวกเป็นคนครบหนึ่งคนปลอกลอกองคนดีแต่พูดสามคนหัวประจก สี่คนชักชวนในทางชี้ภายคนสี่จำพวกนี้ไม่ใช่มิตรแต่เป็นแต่คนเทียมิตรไม่ควรครบ 1. หนึ่งคนปลอกลอกมีลักษณะ4ี่หนึ่งชิดเอาแต่ได้ฝ่ายเดียวสองเสียให้น้อยชิดเอาให้ได้มากสามเมื่อมีใครแก่ตัวจึงรับทาจิตทุดะเพืเพื่อนเพื่อ อ, อยากขอสตา 4. สี่เพื่อนเพราะเห็นแก่ประโยชน์ของตนนี่ก็ไม่ควนครบสองคนดีแต่พูดมีลักษณะสี่ หนึ่งเก็บเอาของร่วงแล้วมาปลาใสเพื่อนๆนให้เงินเราสักร้อยบาทบ้างเออแต่ก่อนมีอยู่เพื่อนเ อ, อ๋เดี๋ยวนี้หายไปแล้วอืเก็บเอาของที่ร่วงแล้วมาปลาใสอ้าเอาของที่ยังไม่มีมาปลาใสเออชิ้นเดือนเแต่ก่อนจึงเอาเพื่อนอย่างนี้เขาไม่ไม่ดีเขาเพื่อนเขาเห็นแก่ประโยชน์ของตัวอันนี้ก็ไม่เอาสามคนหัวกระจบมีลักษณะสี่ หจะทำดีมันก็คล้อยตามจะทำชั่วมันก็คล้อยตามต่อหน้ามันก็ว่าสารเสือรับหลังมันก็ตั้งเลนทาอันนี้ก็เป็นควอนคอปพระบรมาศาสน า, าบอกให้หมดสี่มิตรชักชวนในทางชิบหายมีรักษาสี่ฟังให้ดีเนาะหนึ่งชักชวนดื่มหน้าเมาหน้าเมาดีแท้ๆเพื่อนไปไปเถิดเนีสองชักชวนเที่ยวเที่ยวกลางคืนดูบาร์ดูบา้าดูโบ๊ะสามชักชวนให้มัวเมาในการเล่น สีชักชวนเล่นการพนันนะะ desktop, ั่นมิตรสีจำพวกนี่ไม่ใช่มิตรเป็นแต่คนเสียมมิตรไม่ควรคบเน้อพระบรมศาลาบอกเพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนไปหาพระเถิดเออไปหาเรขเถิดนะเขาได้ยิ น, นเขาเล่วว่าพระอยู่ที่นั่นที่นั่นแม่นจริงเอเอาตัวจริงแท้เพื่อน เอาตัวจริงทางคืบหายนะใครใครซื้อมาขอเอาตัวจริงทางนั้นแ่ะจริงทางคืบหายนะนั่น <_ d ata> เพื่อนเพื่อนสุราใหม่มาแล้วจากประเทศนอกไปเอาเถิดพวกเราอนั่นชักเครื่องดื่นมมั่วชักเครื่เที่ยวกลางคืน อ, อีนึงมาเพื่อนเอ๋ยสวยจริงจริงแต่มันใหม่มามาใหม่ใหม่แต่มันใหม่ใหม่เขามันเก่าเรามันมันใหม่เรามันเก่าเขามาแล้วใช่ไหม น, น, <_ d ata> นั่นนั่นชักครื่เาา ท, ที่ยวกลางคืนชักเครนให้เมา่ยวเมาเมาในการเว้น เอาตะ ก, ก้ามาเต้เพื่อนเอาฟุตบอลมาเล่นเพื่อนออันนี้จะกลัวหนึ่งมาวันี้กันเล่นอ ม, มาความว่าจะออกกำลังออกกำลังก็ตักน้าไปหดพักสินั่นยังจะดีกว่านั้นนักเลงหญิงๆนักเลงโซนานักเลงเรื่องการพานันควบคุชั่วเป็นมิตรเกียรติขันทํา ง, งานในทางที่ชอบเป็นทางขี้หายอยู่ซึ่งหน้าซึ่งปากนั่นแหละหนเอกเพราะพอเ ร, รมามาสาธาณาไม่จะทายอีกนั่น เราจะไม่เชื่อยังไงเราต้องเชื่อสิเอ้าคําสอนอันไหนที่จะไม่ลําเลียงออกจากคําสอนพุทธศาสตร์ชนะไม่มีเนอะด้านกฎหมายกับอาเตคิชขาแก้ไขได้อเตคิชขาแก้ไขไม่ได้ออกจากพระมีนัยอีกเหมือนกันพระมีนัยของพระมีไว้แล้ววิธีระงับอัตกรก็มีพระว่าเรมศาสด า, าวันหนึ่งวันหนึ่งต้องระงับอัตกรอยู่ทุกวัน กัดไมก้กัดหมูกัดผักกัดพวกก็ออกไปจากภาครายนี่เองแล้วหูทโทษมัธยมโทษมัธยทโทษก็ออกไปจากนี่บางท่านเขาก็บอกว่าวัดนี่มันมีมากแล้วไม่ควรทําอีกเขาอย่างนั้นเออถ้าอย่างนั้นก็บ้านมันนี่มากแล้วไม่ควรสร้างไม่ควรสร้างอีกนั่น่ะแต่ก่อนรัชกาลที่หกมันก็มีพลเมืองสิบสี่ล้านเศษใชนี่เยอะนี้มันหกสิบล้านแล้ว จะไม่ให้บ้านงอกออกไปมันก็ไม่ได้จะไม่ให้วัดออกงอกออกไปมันก็ไม่ได้นั่นพระพุทธศาสนาทำหมันอยู่แล้วเอา้าคนสี่แสนห้าแสนเนี่ยให้มันออกไปดูสิบ้านมันเอ๋ยไรนามันเอ๋ยพระสี่แสนห้าแสนเนี่ยให้ออกไปดูสิโคกระบือของมันเอ๋ยรถลาของมันเอ๋ยที่ดินไม่พอคิดเฉลียดู ร, รู้ที่นี่ ลูกขังพระต้องมีอย่างน้อยคนละสามคนหรือสองคนถึงจะทํามันก็ดีนั่นคนสี่แสนห้าแสนก็คูณออกไปอีกรู้สิบ้านเอ๋ยเมืองเอ๋ยอะไรเอ๋ยไม่มีดินที่อยู่นั่นพระพุทธศาสนาประหยัดอยู่แล้วทํามันอยู่แล้วพระพุทธศาสนาทํามันอยู่แล้วฉันพวกถือสินห้าสินแปดพวกแม่ขาวดาวบทอย่างนี้ ตลอดถือคาราวาพู้ถือพูดถือสิ้นห้าชิ้นแปดเขาก็ไม่สงสิงสิงกันในการมามาลมหนักหนักเขาดูถือว่าประเทศไทยมีพลังงานน้อยน้อยก็จริงแต่ประเทศอื่นมีพลเมืองมากไม่พออยู่พอกินก็รบราค้าไฟนประเทศอื่นดูหรสินั่นส่งเสริมกันแต่กามาลมนั่นประเทศไทยมันก็วันพระวันเจ้าเขาก็ไม่สงสิงกันผูดถือสิ้นห้าชิ้นแปดเอ้า ฟังดูรู้ผู้ที่ปฏิทิคุกติปตารางพวกที่เข้าถึงพระพุทธประธานพระสงฆ์แท้ๆไม่ค่อยมีเนอะมีแต่ผู้วัดไม่เข้าพระเจ้ามานต์นั่นแหละไม่ น, น, นมบนั่นเองไม่กราบนั่นเองมันมาทําผิดกฎหมายอยู่ทุกวันนี่ถึงทําผิดก็เป็นส่วนน้อยพวกพวกถึงพระพุทธประธามพระสงฆ์ทีนี้่เราการดูเจ้านายพูดถึงพระพุทธประธานพระสงฆ์ดูสิก็ผิดกัน ถูกไหมถูกร้อยเปอร์เซ็นเลยละ่ะไม่พูดลําเอียงฉันทากติสิ่งไหนที่มันดีเราไม่ว่าดีก็เรียกว่าฉันทากติลำเอียงเพระาะความรักใครกันเรียกฉันทากติลำเอียงเพราะโกรธโกรธให้มันมันจะทําดีสักเพียงไหนก็ไม่ยกย่องมันก็เรียกว่าโทสากติมันมีทัพย์มากถ้าเราจะพูดเดี๋ยวมันจะมาฆ่าเกาเรียกว่าพยาคติกลัวกลัวอํานาจวาสนาของเขาเขามีเงินมากแล้ว ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ต้องกับเขาละเขามีเงินมากเดี๋ยวเก่งเขาจะมาเอาทางมืดเราเรียกว่าพยาคติเพราะกลัวน้ำเอียงเพราะกลัวเรียกพยาคติน้ำเยียงเพราะเขาเรียกโมหคติใช่ไหพระพิพจารณาในเรื่องนั้นไม่ออกด้วยความโง่เขาของตนเขาเรียกว่าโมหคติแล้วคติสี่ประการนี้มนนนมาาไม่ควรประพฤตินะครบพรบรมศาสดาสอนแล้วด้านจิตใจเป็นของสําคัญมาก เราจะไปลียนกฎหมายกฎหมูกฎผักกฎพวกมาจากประเทศใดก็ตามถ้าจิตใจของเราไม่มีอายต่อบาปไม่มีความขัวตะว่วาแล้วมันก็ไปไม่รอดอีกมันกัน mm. ถ้าจีนก็บอกว่าอีกหมวงกังมันมันโพดังนั้นจีนหลังหลังพิจารณาดูให้ดีพวกเรา พระพุทธศาสนาะล่วงไปสักเพียงไหนก็าตามกรรมและผลของกรรมก็ตามทันว่าพุทธกรรมตามทันบุคคลผู้ตั้งเปรอยู่ที่นี้ไดที่ประชุมพระชาติก็ว่าวัดมันมีมากแล้วมีมากก็จริงอยู่ครับพระพระพระก็มีมากแต่พระมีเท่าเก่ากับรัชการที่หกมันก็ไม่ได้เพราะรัชการที่เจ็ดที่แปดที่เก้ามานีัพระก็มีมากพลํางานก็มีมากจะให้วัดเท่าเก่าอยู่มันก็ไม่เท่าแล้ะครับ ทีนี่ผมจะขอกราบเรียนว่าวัดนั่นมันเป็นของสาธารณะอะมันไม่ใช่ของบุคคลไม่ใช่ของพระองค์ใดองค์หนึ่งเมื่อลาสิขาแล้วเขาก็ไม่ได้ขายบ้านเมืองของเขาเดี๋ยเขาลาเขาหนีไปเขาขายเนอเราพูดอย่างนี้ทีนี้ที่ดินเขาก็ขายหมดพระหนีจากที่ไหนไปไม่ได้ขายที่ดินก็เป็นของรัฐบาลตามเดิมว่าอย่างนั้นส่วนพรศาสนาก็เป็นศาสนาทั่วโลกไม่ใช่ศาสนาแต่ประเทศไทยเราพูดอย่างนี้ทีนี้ ม่เนเสียงกฎหมายอันนี้เสียงเอาตามตามความจริงเพราอย่างนั้นเอาผู้อย่างนี้ <_ t od ic> เอา้าเอ้าถ้าอย่างนั้นจะยกพทะหอรบรรณาผู้ถือพระพุทธศาสนา <_ t od ic> นี่ถนนนี่ <_ t od ic> นี่ผ้าผ้าเหลืองผ้าเหลืองอยู่นี่ใหม่ๆกางเกงอยู่ใหม่ๆลัดอยู่ที่นั่นนะครับเป็นของคณรวัตอยู่ที่นั่นอันหนึ่งของพระอันหนึ่งของคารวัต ไปเหยียบซะอันใดอันหนึ่งผูดถือศาสนา พ, พุทจะมาเหยียบได้ไหมเหยียบไม่ได้ต้องไปเหยียบทางคารวาสใช่ไหมนั่นถ้าเราไม่มองดูพระพุทธศาสนาข้าพมาหาข้าพจะไปมารอดเน้อราชามาฆฑูราชามาฆโูแปลว่าพระเจ้าแผ่นดินมคธพระบระมศาสน า, าองค์ไหนไหนก็เขารับพระบระมาราชาเหมือนกัน เช่นมีสงครามชี้มาอย่างนี้ถ้าพระบรมราชาไม่ทรงพระอนุญาตก็ทำไม่ได้จะทำโบสถก็ทำไม่ได้ในพระเวไนมีอยู่ทุกยุคพระพุทธเจ้าเช่นพระบรมราชาเสด็จมาอย่างนี้ให้สวดปาจิโมกย่ อ, อเพื่อรับเสด็จพระบรมราชานะักพระบรมศาสต์เวาก็พระบรมราชาเกี่ยวกันมาชี้ข้าบทที่เกี่ยวกับพระบรมราชา ม, มีอยู่วันกัน ท้าแม่ทรงพระอนุญาตทำวิสุขามซีมาก็ทําพัทธซีมาไม่ได้มันมีมาในในข้างพระพุทธเจ้าองค์ก่อนเหมือนกันทิ้งกันไม่ได้พระบรมราชาพระพุทธศาสนาต้องเป็นผู้เคียงเรียงรายกันนะพระพุทธเจ้าองค์ไหนามาพระพุทธเจ้ามามากกว่าราชโกรกก็มาเอาทำอะัยอันเดียวกันไม่ได้รบร่างพรบกันว่าเป็นอย่างนี้พวกเราไม่ควรดูหมิ่นพระพุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ก็ออกจากพระพุทธศาธสนาเองทีนี่ผ้ารัฐมนตรีข้าภาพพระพพระัฐมนตรีท้าบรงนี้เอามาจากไหนเอามาจากผ้าทั้งขาพระใช่ไหมกายข่างเผือกนั่งท้าบลงนี้แล้วเอาอะไรมารับนี่อก็เอามาจากผ้ารัดอกของพระนั่นเองนะ่นสวัสดีคุณป้าคุณรงคุณหนูคนุณปู่คุณญาคุณตา คุณยาเอาออกมาจากไหมเอาออกมาจากอายุวโนสุขังพลังของพระนั่นเองวิีนะครับอจิกรก็เหมือนกันก็ออกมาจากพลังของพระผู้โจทย์ต้องโจทย์ให้มีงูด้วยให้เห็นด้วยได้เห็นเองด้วยได้ยินเองด้วยมีผู้บอกแล้วเชื่อว่าตามเป็นจริงด้วยสงสัยรังเกียจข้อประพฤติไม่ดีข้อเท็จวิารณ จึงคิดไปโจดเรียกว่าโจดมีมูลเหตุที่จะให้วิวาทาทิกรเกิดขึ้นก็มีอยู่หลายอย่างวิวาทาธิกรความเทียงกันว่าสิ่งนี้เป็นทำไปไม่ไนสิ่งนี้ไม่ใช่ทำไมไม่ใช่ไม่ไหนเรียกวิวาทาธิกรความโจดกันด้วยอบัตินั้นเรียกอนุวาทาธิกรอาบัตทั้งฝูงเรียกอาปตาธิกรกิจที่สมจะต้องทำเรียกกิจจาธิกรอธิการณสมรมะมีเจ็ดอย่างทําเครื่องระงับอาทิกรทั้งสีนั้น ในที่พ่อแม่สงฆ์ในที่พ่อแมาบุคคลในที่พ่อแมาวัตถุในที่พร่อมแม่ธรรมเลียกสมุขคาไม่ในความเชื่อสองประกาศให้สมมติแก่พระอรหันต์ว่าเป็นผู้มีสติเต็มที่เพื่อจะไม่ใครโจทกท่านด้วยอาบัติเรียกสตวินัยความเชื่อสองประกาศให้สมมติแก่ทึ่สู่ผู้หายเป็นบ้าแล้วเพื่อจะไม่ให้ใครโจทกท่านด้วยอาบัติที่เธอทําำเวลาเป็นบ้าเรียกอมูลญธรรมวินัยความปรับอาบัติตามปฏิญญาของจาเลยผู้รับเป็นแบบเรียกปฏิญญาสัการนากามตัดสินตาม คนมากเป็นประมาณเรียกหญ่พิยัสิกาความลงโทษโทษแก่ผู้ผิดเรียกตัสปาพิยัสิกาควให้ประนีไปนองวันทั้งสองฝ่ายไม่ต้องชำระความเดิมเรียกว่ากิ น, นอัถาราคาไนะม่ในวิธีระงับอธิกรที่เราเรียกว่าไก่กี่ยวกันจํำเลยเป็นผู้มีสติภัยบูรไม่เป็นฐานที่จําเลยจะทําการละเมิดกล่าวหาดังที่ดังที่โจ้กล่าวหา ตรวจกรรมวาจารย์อยาให้สติไปไหนแล้วยกฟ้องของโกรธเสียในพระเินัยมีอยู่รัตถปาวิยะสิตกรรมกรรมเพิ่มโทษแก่พิคุผู้ประพฤติรามุกให้การกลับไปกลับมาพูดถรากถลาย ข, ข้อที่ข้อที่กบเกินซักถามปฏิญญาแล้วปฏิเสธปฏิเสธแล้วปฏิญญาแล้วเพิ่มโทษอีกถ้าเป็นโทษปลาจจตีก็เพิ่มขึ้นหลายตัวมาอย่างไร น, น, นะมันมีในพระเินัยหมด จำเลยเป็นว่าเสียสติห้ามไให้เอามาเป็นคดีต่อเมื่อเธอหายจากเป็นว่าแล้วจึงเอามาฟ้องได้แล้วให้อำมุนระวิยายนะซัคือความรู้ของเธอมีมีนายเพราะมีนายเหมือนกันอันพวกกฎหมายคุณผูพราคุณเอาไปฟ้องเลยมันก็ออกกับเพื่อนัย่แหละมาตราท่านั้นมาตราท่านี้ออกจากเพืนายท่านเดี๋ยวจะทําถูกสักเพียงไหนก็าตาม ถ้าความปรพฤตด้านของตัวเราแต่ละท่านแต่ละคนไม่มียางอายตว่าไม่มีกลั hey. วกลัวตบ่าปมันก็ไปไม่รอบอีกมั้งจอานุ่งเหยิง้ะกฎหมายแต่ข้ขางพุทธการเบื้องต้นไม่มีปาราชีสชาติเศษที่สามไม่มอ PLAYING, ีอ <D> ันนี้ยอดสองไม่มีนิสเคียปายตีสามสิบปายตีก็ยอดสองก็ไม่ีเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าคนมาในยุกนั่นใครฟังเทศแล้ะสำเร็จพระหันเอาสระหันเอาอยู่มาจงมาคนทําผิดมากจึงมีหักพระวินัยขึ้นทั้งนั้น ถ้าเราจะเอากำปั้นใส่กันเราจะผินกระบอกปืนใส่กัน่ะพินใส่วันไหนมันก็ได้อันสมาชีกันมันดีมากถ้าเราฆ่ากันตายหมดประเทศชาติบ้านอื่นเมืองอื่นเขาก็ะดูถูกหยาดยามเราเป็นประเทศที่สูงแล้วย่าพากันไปทำตัวให้เป็นประเทศที่ต่ำให้สามาชีกัน นักชาตนักศาสนาพาระมหากษัตรย์ตามเดิมของเรานั่นเองและให้แตกกระเจิงกันอันแตกเลยทําวันไหนมันก็แตกหรอกอันทําชัว่วมันทํายง่ายๆเช่นกุฏิวิหารเหี่เราทำยากจะตายจะทําลายมันเอาไฟเผารวันเดียวมันก็ไหม้หมดถูกไหมรักตนรักศาสตรรักพวกรักชาติรู้จักคนดีรู้หนีนพลผ่าน รู้จักใช้ใจายอย่าใช้ภูมิฟายจคกองหมากบั่นมันเพื่อนก็เรียนแก้ไขเพียนหารายได้เพื่อให้จนดีอย่าเล่นอบายามุกอบายามุกุกชุมในโลกามนุษย์สาโลกเก้เขยจากธรรมคำสอนของพระพุทธมศสาสนี้ค่าร่ำนอและชนเหยียบย่ำตีเป็นเลขเป็นผา หลวงปู่ไม่ใช่คนธรรมดาเนอะถ้าหลวงปู่ประพฤติเพื่อเอาลาบเอายอดเอาสารเสริญหลวงปู่ก็อยู่นี่ไม่ได้หลวงปู่ปฏิบัติพรมการเพื่อพ้นทุกข์ใาวตฏสงสารหลวงปู่จึงอยู่นี่ได้จะพ้นหรือไม่พ้นก็าตามมีเกตนาอย่างนั้นเงินส่วนตัวหลวงปู่ไม่มีหลวงปู่ไม่ได้เก็บเงนินส่วนตัวเลยเขาให้เป็นพิเศษหลวงปู่ก็ใช่เป็นสาธารนณะ บานน o n ประเทศชาติบานเมืองพุทธทาสน า, าไปตามทสตกําลังหนึ่งอย่าพากันไปเล่นสาวเราไปเล่นสาวนะเมียของเรา็ไปไปเล่นเลขไปชดผัวเีนี่เป็นผัวไปเล่นสาวเมียไปเล่นเลขไปชดผัวทจนี่ไม่น้าซ้าเล่นไพ่เ่ย อย่าไปดื่มชูกามากกกิแก๊บๆก็เอาเราบอกแล้วพวกตำรวจชาวกรพวกครูเดี๋ยวนี้เขาไม่ทำยกเลิกกัแล้วลุงปู่ไปดกเขาพวกลูกหลาน ๆ, ๆใช้คำว่าสูใช้คำว่าสูเหมือนว่าแบบลูกหลาน ๆ, ๆ, ๆสูอย่าไปทำสวนสัตนะวกเนอะเราบอกเขาสวนสัตวกของสูไม่ใช่สวนสนุกเนอะพอสูแล้วการแล้งงานสูก็เป็นหนี้เป็นศีลเขาค่าโคมาเรี่ยงกัน มันไม่พอจะได้เราเงินนี้เรียกว่าสวนสะทุกเราบอกแล้วไม่ใช่สวนสนุกสวนจะทุกขมีเล่าก็เอามากินมีโคมีกระบือก็เอามากินข้ามาแต่พอแล้วงานแล้วไม่มีเงินเข้าเป็นของกลางล้วเป็นนี่เป็นสินสารพัดนี่เรียกว่าสวนสะทุกขสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ตนแต่ว่าเบียบเบียนผู้อื่นสิ่งนั้นไม่เจริญ ภัยนำมาถึงสิ่งไหนที่เป็นประโยชน์ทั้งตนด้วยทั้งผู้อื่นด้วยสิ่งนั้นเป็นประโยชน์ทั้งสองฝ่ายสิ่งไหนเป็นประโยชน์คนอื่นแต่ไม่เป็นประโยชน์ตนสิ่งนั้นก็มา ก, ก, ก็ไปไม่รอดที่นี่ท่านผู้ใดสงสัยอะไรก็ปรบมาทีนี่พวกคนเดียวหนวกหูเบืออ ยยงองไผู้ใหญ่กูโม่ยงนี่องไหองไหนองนี้บอกองนี้ซียเองซี้เพียังหรอกแต่ี้นานลยมันพิษซี้เอ็คิวพยังหรอกก็เหมือนลูกๆแล้วนาเป็นแสงสบายบอกเลยอ่ะบอเหมือนคนอื่นมันบอกลำบากอกเหมือนลูกๆแล้านานนสบา ย, บบบบายดีแห่ละมตัวจะมาทะเลาะกันเนี่ย ในากันมุโตะยอะกนเดี๋ยวนี้บ้านเมืองเท่ากยังอยู่หมเลฟอตโตอกับมุโตจะทะกันในงรักพักดีต่อกันยคโมเลอตอตทุกเวลาเหนเมืองเขาีเท่าแทงอยู่หโเดลฟอตโต้ที่เท่าหอนมืออื่งว่าหอมื่อนี้ใกล้สิตายก็มงเาัน มันถามเขาว่าสวัสดีสวัสดีปีใหม่แต่ว่ามันใข่จะตายกับใครเราให้พอนกันได้เสียต่ออย่าหวังจะให้พ่อนะ๋ยาจงทัดีทัพดีแล้วผู้ใดว่าให้พ่อนยยาหรอกจะพ่อไปไหนไปจะมาพ่อนายหายมันพอนเด้อใหญ่มันพอนเด้อมันกับพูดหรอกไมบอกให้สั่งว่า ทหาแ่ฮ <Warner. S 2> <an iously> ักตำรวจตำรวจแก่ฮักทหาระทราบ้อแก่ฮักทหารต่างข้ต่างฮักกันต่างข้อต่างฉมานมีฉวานันกันในประเทศทราบบันเรื่องข้ามันจะเจริญตัวประเทศทราบบันเรื่องข้ามันยังผลาพผลาญสิเจริญอยู่เสมอเนี่ยแต่ขาแตกเจริญกันนะมันกับว่เจริญเนี่ยางออกแพ้เอาแพ้เอาชนะกันกับ่เจริญทุกกับทุกแล้วกันม่ก็ไม่้กันที่ประเทศเท่าว่า คนทุกกับมันข้นประเทศไทยคนจกัมันขนประเทศไทยคนร้นวยกับนประเทศไทยกับากับมันภาประเทศไทยหือกันนะบนภาแก้วภาคอมเหลียงกับากันฮักกันตัวมู่งหรว่ามูฮั่ง่าฮักกันใผีตัวไดมาฮักตางบอกสผู้นึกับักเขาแล่นข้าวูฮ่งูนึงถูระทำมเรื่อง่องประเกันประเทศชาติมัเมืองฮั่งบอธีศาสนาฮกับโยไรเสามประเกันมูฮั่ง ทุก้นทุกคนดแต่ ย, ยอมว่าพิดถ้ายึดตอนนั้นมันผิดกับว่าพิสนะตอนนี้นมันถือกับว่าถือก็แบบคือพูดะอะไรกันไปฟรนยิ่านนําหัวว่างสีหรอกที่เอาความพิดกันไปฟันยิ่งผ่านน้ำผบอกูดอะไพิดพกับว่าพิดเฮ้ยคือกัอนนะโอ้ยตอนนั้นข้าพเจ้าพ็ดหวั่แล้วอนอกก็ฝ่าข้าพเจ้าเขา้าใจว่เป็นเร่งสั่งกองจะเป็นเร่องสัก็เลยเห็นแล้วก็เห็นเขาวายังเหงาเลยหลอถ้าเขาเห็นตายได้ก็ดูดีเลยหรอตอนนั้นข้าพเจ ข้าวเขาอก ก, กับหมูกับเปือกตอนนี้นพวกขลงกับเราบอกพอกอยู่งโยกออกเพราะกัดทะเลาะกันมาเหตุการาทะเลาะกันเขาจะตีกันต้นเบื้องต้นมึงเก่งกว่าได้พวกหนี่าสั่นอกเาะ้ลูกหลานได้ไผยแต่ว่าพิษจะค้นดอกมาสั่น้าไอ้ดพิษก็สั่นข้าวไอ้บุวสนาพรามีงเราสามารถพวกขลองลูกหลานได้มาสั่นมูโตว่าพิดอกจะจะไปพิษกันมูโต้้าผอ้พิดกั่น ขาบุญวัสนนาพ่อหมี้่รสามาบกล้องลูปร้านใดวาสันข้ารับพิดผู้เดียววะเศร้านีื่เขาจะให้ข้าเขาเรื่อเศร้าเขาเรื่องจวันดอกโอ้ยบอกก็ดอกที่ปันนี่จะว่าพิดกันข้าวสันต่อเขาจะื่งจี่วันดอกแต่พันรอบปันปันนี่ข้าจะพิดกันเลยสันข้านี่ยรับพิษเลยสันา้าพระสามาคล้องลูกร้านไดวะบุญวัฒนนาพ่อี้จะจะเป็นผู้ใหญ่ข้าววะสูบว่าิดดอกวะสูฮีต้องกันเศร้าะเขาโอ้ยพ่อแม่ข้าวเอาจิตปั้นนี่ พ่อยากมุดดินยูสั่นเขาอ่ะเขาโขดัวอะไ้กอนนะพ่อพุ่งเก่งมาไหนจะหน่อยมุ่งนี้สแล้วอรียำสมับัากบาดมึงกันนะครัขึงแ่กันได้กับปั่นเอาเอามม่เอาผ้ากันแทกปีที่แลกวนี้วไเี่ยวันั่นขูดเ้าไหวงอธิกรณีคนน่าวสั่นโอ้ยลูกปูนี่เราพอดีว่าสั่นสูดีหรอบุญวัดสนามบ่มีขยับมัปกป้องหลกหลานลูกปูนี่ว่าสูมันข่อยู่สุขคนหรอว่าสั่น บ่าทีผิดจะพ้อนออกลูกปูผิดพลาดว่าจะพ้นออก ก, อ ก, าากันเนี้ยเศร้ากันเท่าไัรก็เลยเศ้ากันอยู่กันตุ้งติเก่งมาได้เ่าหน่เมื่อเนี้ยจะเทาไ่เท่าไงมาเทากัน ไ, ได้วันกันวันเ่าเท้ากันเลยเคดไม่ อารนณ์ส่หวนั็กหน่อยเักหน่อยมันหายจะเป็่นเล็กหน่อยเลงหน่อยมหายเข้าปะยางไปเข้าปะตีไปต่ำเส้นรุดเข้าปะเป่าขาโอ้ยกูแเกลีกันช่วยว่าันเขาได้่องหัคเขาเยกันเขาก็เรื่หวว่าเนาะมันก็ทำให้อหมายฉั่นเพราะอะไรยางกแท่ได้เป็นผู้ใหญ่มูอนี่ยปุลำบากแดียว เขาอยากขี่ไหมเขากข็มาเช็ดถนเลยออันไหมากมาเช็ดถ่านขนย่องขัย่องเข้าก้อนขันติกันตีเข้าก้อนนอนเถอะได้ผลรับอย่างกรถามเข้าทุกสมพันธ์จะวัดกัอันเดียวกันอันนี้เขาก็มาถิ่มเช็ั่นแหละคนดีอันนี variety, ้กับไม่เท่าดีก้อน <ver gaming> ันเสียก <ver> ับมเท่าเสีย <ver> ก <error> ้อนนนเนอะแต่เพิ่มเป็นจริงเขากันคืากันเขาเ็ดเสียัมาเสียอันนั้นเสอ่าวกพสนอันนี้เป็นส่วนหนึ่งส่วนตัวเเ้ามีไม่มองรือยตัวเขาเ้าส่วนสะเอาแกม้วนอันนึงอีก กูลำบากอยู่หลานเลยคนไหมากเขาเกลียดมานั่งก็บ่นมากแต่เมื่อพเจ็บพูงของไปอังวันนี่จะลกภูมิหาหรืว่าให้พระพระจะเข้ามาหาห้อยหมมาสั่นขันตึงกล้ามอะไรยมาสั่นมาสั่นเออขันเสรมาศึกษาแล้ว่าสั่นลกูมหาบวชขันติกล้ามอะไรยัมาสั่นาสอันนเนเนเนเชียเพื่อแหงเลยตัวพรกลวาว่น เป็เชียร์ to, บบบเป็นพห่งมาุ้มหาลูกคู่มันเ่นกันขัน่าเอาเคี่ยนพุ่งมาวาสันมันมามาฆ่าพเะเว่าสันเป่นว่าลูกูมันนักเอกวะสันฟ้าปิดต้มน้มอไม้วันเป็นธรมาทุกกดแม่เหมายุ่งเขาไปขี่ส้วันามอยู่นี่ีเมืองหามเป็นย่งที่โมฟิตวันเปนว่านักทราเองนักเอกตาเดียวไม่นเหาะวะสันจูเป็นเพราะอไนูลูกูมันเพราะ คนหายเหรอห้เหรอหรอนมีบทอันนึงได้นกูมิาทำเรี่ยมนาย้างเล็กกรสันเอามาให้เขาก็ตีน้วตีเล็กหรือากองจุกเพ่งอย่งไรวะเล็กดีเปลี่ยนมีดเป็นผ้าเล็กบุีก็ลาดกระป้าพุทวาสนาคนาคนเล็กดีนี่ยฟันไม่ห่อนคอยกับเขาตมคอยฟอนแห้งัเขาตมแห้งเล็กบุียอมต่้ิบิถเจ้ิบานนะ่านฟาดกป้าพุทานนมาันต้นยางก็เปิด พระไม่ได้พะองเจ้าข้าตังคย่าจะได้หลุมหลานเนอยึกถือว่าข้ตังเ์เนอไปพส้อนดีไปพวิเที่ยวไปขี่พระสร้อนไปเยี่ยวพสอนไปขี่แค่ไปสึยืนขี่อยูเย่เนียวขึ้นง้ว้ก้วยเนอ่ระนเจ็บป่วยมากยังใครขับไปพระทนยังเฮ็ดกรสันนีบัสี น, นังร่อจะเอาผาเช็ดแหวใคร น, นั่งร่องสะพอนค่อยเลิกกรสันพ่าไม่แก้งนั่าสูอเช็ดหม่ สันน้ยให้มันเกินให้มันต่าก็ซีเหนี่ยวกรนนับจะซีนี้ยวเกินไปมันแกงแค่แมางถูกผมนะกระสันยังให้มันเงยเอาเกินแปดเนี้ยมันขึ้มาคาบมันเขา้านกระสันเป็นรอยมันมันเข้ามาแกงมันถุยหลักกระสันพระรามเจ้สมือนี่มันกระมีอเสละเอากระดาษเช็ดก้นกระดาษเช็ดก้นมันหกรมืว่างีได้ว่างสองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามนี่สองพันสี่ร้อยเก้าสิบสามนี่หลวงปู่มันม้ยอของโตหนังสือแกแกงก้น คนเขารบที่สุดตัวหนังสือลองอูภูมันเพราะหนังสือศาสตร์เอกสารสามารถศึกษาหรือค้าสอนพระองค์เจ้าใดกันมาต้องเขา ร, รบกันมาบความว่เหยาบว่ายาเอาไปชดไฟที่มโนถึงน่ก็ทวนลงอกภูมันแล้วมูเฮ้าจะไปเซ็ดาบดเ้อะเซ็ดาบลูกดันไมะหนังสือพิมพ์มันมันบาปจันั้นว่าเจ้าล็อูภมันบ่เอาตัวหนังสือไปเซตนี่แหะเล่ยเห็นกระดาษ น, นาไม่มาเ น, นี่นักเนวาเรือเ่มัวีตัวหนังสือเ่อา เ้ากับบ้าคาเซ็ตได้ห้องเอาพระพุทธลูกไปไหวหัวบนน้อนย็จะเอาไปไวเ้เอเอาไปไว้วิ่งหลังมากเนอะแล้วนึ่พักกับแบบกอดไม่ใหญ่เบิ่งเ <c oughs> ม่นบอกญาติกินเราจเจ้าพระค้องขอเอาออกเอาวามว่พระมา ก, กินเราดิ มุตัวเอาพระพุทธปปกอดเนเอาเ er มียกอดพระพุทธโรปบังบอกกอเมียพระพุทธปบงบอกมุตัวย่ไปไวเด้อเอาันหลังใส่ถ้าเอาไหวเทิงถ้าออกหันหลังใส่เด้อถ้าเจิกแชงเลือกขาเก่ามันเททองมาตั้งหามันกิดม enfin ีมีารหองแล้วเนาะมันมันขับก่อนเนาะสันมงตัวเอาไปไหวเปีนหลังใส่เด้อ แน่นหรอตื่นมากย่ามก็เศร้าแล้วไปเที่ยวเล่นเต๊กต่อเดี๋ยวพอเห็นยังซอยเขาเก่เขาก็มียังเพราะว่าเขาสิบอกเขาเคหน้ำผ า, า, า, า, าได้แบ <c oughs> เบเ๊กต่อเต๊ไปเต๊บอเจ๊เไปเจ๊บอถามว่าดีปะเต๊ทางน้ำหลวงปูดดด่หวงรู้หรมันได้สินอย <c oughs> ่างกุมายฟืนก็มีแม่นห่ นี่บวมคนไม้ขึ้นบว ม, มีอะไรบ้างบว่าบวมีอะ่คนมนนขึน้นกน้นไม้ต้มเหลาขายนี่ยีาวก้นไม้ต้มเหลาขายนี่ต้มเหลาขายนี่นะครับต้มเกลือขายนี่กไม้เพียงใส่ครอบัวบวมมีรนี่ภาวแน่นหนี่คือก า, าวรวอันตอได้ตอได้ัดดดดนี่ห้าหี่า ว่มันสมควรนะบ่ัดจไป่พ่นเอิญนะบ่ว่า่เขามาพ่นนะบ่เขา่าพ่นนะบ่เอ้ยออยิว่าบอกน่าไปเที่ยวเอาโรกเอ็ดมาใช้เมียน่อย่างเงี้ยบ่พักกันายเที่ยวว่านอนมันนอนขึ้นมาค่อยบมบบ ซึ่ขคิดว่าเราไปหากินคือว่าเขาคุ้ยวัดพาเขาวายแม่นบวายจากสามที่จะค่อยไปล็อกปูเขาก็ได้วาวหลายได้ไหวพระสิวางข้อไหวทุกขท่เกีจยวรางหลายข้กระทั่มทางหลายข้อไหวพระเดียสองทางหลายมาเป็นพระาไทยอะไรและลึกได้ก็ได้ก็ดีไวยึดถุงเงาอยู่สมานเพราะโควขาดจอขาและลึรืดองใได้ก็รื่องใะติดขาดเป็นขาดทุกที่ก็ทัามารสงอยู่ตรงเมืองเพราอทุกกรทัามประสงขี่รถเงียบรถหย่อนยำชนหัวหล้าอย่างหนุกใจยึดถุงเงาอ่า เขาลงสางสั่งให้หเก็บเงิน่กับปวายเงียบกว่าได้แห่ประัยแล้วลูกใดลูกวันนี้ลูกใดปรดี๋อเเป็นเรื่องป็นท้าย่งทุาาากานไปนัเสื้อาแจกลูกหลานไปไปอ่านได้ล ะ, จะเจาไปถิ่มหม่เง <c oughs> ี้ย ไ, ไปไปเสื้อมาแจกลูกหลานไปของตำรวจพอมูอกันแหละกบตำไม่ได้แล้วเนาะพอมูอกัน เนี่ยพักันหักกันเน้่ยมูฮั่นประเทศราบิแบบเมือห้องตำรวจกะษฎิ์ทหารกฤษีข์าราทการกฤษีินแผใดกฤดฎิ์ไพล์ว่าทางใดมากอยอมรับฟังกันเนี่ยทิ่ประทังคุ่มั่งต่างยังกำปั่นต่อกันเนี่ยก็ได้เดือดห้อนหอนมูฮั่นทีละบุดีหลวงปู้ผู้จะกล่าว่าให้มูฮั่นสมานกันยสดะละกันว่าชะเนี่ยว่าชเนาะกันเมื่อตาบวกกันมองมองแมงสิทธจะฆ่ากันทีมตายได้วะประเทศไทยห้องส้างห้อง อู่เด็กๆอ่อนห้องคนนี้พระเจ้าพระสงฆ์ห้องคนี้จะไปช่วยยังไงแล้วพักันยันวิสาหเหลาะกันเนาะเราก็บอกเนาะนะครับกันครับประเทศศาตร์วันเมื่อวานน่ไปเป็นขีฆ่ามาใส่เขาแห้งสีห้ยเนีเด้นักแพร์มันให้อันเกิมออกไปบางรูปมันผสนเท่าอ่ะมงจักบออันเกิ่มจออเออเอาแกกันให้แกกันแกกัน เ, เอาไปนะอ่านได้หนือเยอะจ้เอาหนะังสืออันนั้นมาอีกเอาหนะังนะสือตาเ อ, อาบยมุกกันเอาเสืออ้อตาเอาบยมุกมาอีกมากเาะอ้มีสอล่มบอกเออได้ใช่หอเอามาแชกกันเอาอันเช็ดกับมาทำไมอันเชยนอัน อันนี้ซ้ำๆซ้อันนี้ซ้ำๆเอาเอออันเอออ้าอันอันนั้นได้อะไรรอเียอันถ้ากาลูกแก่แก่จะตื่เติมเนี่ยแะอาจารย์นั่นสบายหัวเลยอ่ลูกแก่แกอาจารย์นี่เฮ้่อาจารย์นี่อาจารย์ข้งนี่สบยหัวเนี่อเขาเข้าใจว่าก้นไม้ฟื้นส่วนตัวโบมีเข้าา ต้มเราขายเผาอิดขายจังม่เฮาวา่าชวนตัวครอบพวรูว่าม่ก้นหมายที่ห่อไปจับไม่จับอะไรกันจับผอวัวพื้นมันพดไปฮาวา่ามื้นต้มเราต้มเน้ขายมนแมนี่รต้มยาขายมันแมนนเผาอิดขายมันแมนเผาปูนขายมันแมนฮ า, าสำหรับใส่ครอบพวกวูี่าไ่ได้วนะ่าเดี๋ยวว่านมาจะแจ้ไม้บู้นไม้เกาขนาฮว่ฮ า, วา เดี๋ยมู่ตัวย์สุพรทะลาะกันด้วยหักกันมู้โตแล้วผู้พ่อนาเขามาฟ้องอันนี้ยักสุเชียร์รถไลกับท้ามุกตะกอนเนี่ยหรผู้ใดฝรั่งคนนึงเอาว่าง่ามลดกับพดีได้หรอฮู้เขาบู้ระว่างงานกันแทอเสมอเนียผู้นั้นมาฟ้องเนนี้มาฟ้องนี่เขาฟงด้เเลยดีพาเยกรดนู้เป็นไงคนนี่งยากแก่ไปไงไรมันก็บดีแก่มมีมันว่างมันขับซะ แม่บอกเอาแล้วนอซ้ำหนีนอเอาแล้วเอ้ยไม่กวนเลยนม่ใช่ฮะไมหนีสูงก็มัลูกก็ดีระวังซะความุขความสุขก่นความลูกหลานมีความสุขความเจริญแะ่บอกว่าเราก็จศาสนายิ่งยิ่งขึ้นไปจะทุ่งบ่หมีประม่านกขาดเทอนจะเลิญทุกด้านทุกมุมในทางที่สอบป่ะผูโทษทั้งโมทั้งโคนี่ผ้าหน้าไปัน มียังปันกันดูกันกินตัวเงินเดือนเฮ้ยอติขอให้กันได้กักับขอให้กันไหนมันถึงว่าภาคก็ได้ทะลอกกันอีกได้กูเฮ็ดิตตายว่าขอก็เดือนให้กูเพราะวะ่าไ <c oughs> ม่ว่าพบร่มราชาต้องหมดแน่นอะ